ฟังธรรมกันนะ <c oughs> มีผู้ฟังมีผู้พูดฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเรานี่ตัวเราก็มีกายม่ใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรียกว่าธรรมธรรมมีสองลักษณะเป็นกุศลหรือธรรมเป็นอกุศลหรือธรรมกุศลหรือธรรมคือความถูกต้อง เอาควละธรรมคือวามไม่ถูกต้องวิธีที่จะรู้ศึกษาที่เห็นเรื่องนี้ตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดด้วยเหตุผลมีวิชากรรมฐานสัณฑ์เป็นวิชาการที่ต้องศึกษามีสติสัมปชัญญะ เป็นที่ตั้งเอาไว้เรากายเป็นที่ตั้งให้มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายแล้วสิที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะด เ, เห็นไม่จะต่าง ก, กันกับความรู้สึกตัวอยู่ ความรู้สึกตัวเป็นเจณที่วัดบอกความเท็จควาจริงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่จะได้เห็นเห็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉืเลยให้ผ่านไปก่อนผ่านไปถึงความรู้สึกตัวลงยุทธวมลงสู่ความรู้สึกตัว อย่าเอาผิดเอาถูกเป็นเครื่องตกอย่ า, อาความพอใจไม่พอใจเป็นเครื่องตกให้รู้สักตัวเฉยเฉยแล้วกลับมาอยู่ที่การกระทำวิธีทงก็การกู้เฉงเข้าเหยืยอเฉยนออกกลับมานี่มาตั้งไว้นี่มีที่ตั้งมีที่เกาะอย่าหลุดออกไปจะ ไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็จะมีรอยความสุขความสุกขอยู่ในกายในใจเราจึงต้องมาหัดให้รู้เวียนอะไรมาเป็นฝาบาที่รู้ทั้งหมดให้หมัทำอย่างนี้มีงานให้ทำมีกรรมฐาน เอากายเป็นหลักสูตรเอาใจเป็นหลักสูตรเอาสติเป็นนักศึกษาเอาลูกอยู่เป็นประจำอย่าไปทำมันอื่นโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่รู่ทุกวนาทีและมีเจตนาที่จะเคลื่อนไหวให้รู่สึกตัวไม่ใช่ป คิดเอาความรู้ไม่ใช่ความคิดความรู้เป็นการสัมผัสให้กายไปต่อเอาความรู้สึกตัวให้มันคิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็ให้มีความรู้สึกตัวให้ใจไปต่อเอาความรู้สึกตัวอย่าให้ไปต่ อ, อกับความหลงความโศความทุกข์ ถ้าเอาต่โความหลงความสขควทุกข์มันจะติดอยู่ที่กายที่ใจมันก็เลยเพี้ยนไปเป็นอื่นไปเป็นจริตไปซะนาคจลิตโทสะจลิตโมหะจลิตเป็ น, นิสัยไปง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะผิดถูกสุกทุกข์ไปแล้วจากาหา ให้มีความรู้สึกตัวมันทำได้อะไรที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่กับมารู้จึกตัวเพราะความรู้สึกตัวเป็นทุกที่ตั้งอยู่แล้วถือว่าเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจอย่าให้กายมันเถื่อนอย่าให้ใจมันเถื่อนมีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของส่วนใดที่เกิดขึ้นกับมารู้จึกตัว ตากายเถือนล้วก็เป็นอื่นไปไม่ใช่กวรู้สึกตัวเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเป็นความโกรธความรู้ความหลงไปเพราะมันมีวัตถุทาให้เกิดตากายต่างเข่นตาหูจมูกดินแม่แต่กายก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดใจใจก็เป็นเหตุที่ทาให้เกิดอย่างอื่น้าไมสอน้าไมหัดนไม่เป็น มาใช่เรียนรู้มาใช่สอนให้รู้สอนให้ทำสอนให้เป็นทําให้หมืนเป็นเวลามันหลงให้รู้ให้เป็นเวลามันทุกข์ให้รู้ให้เป็นเวลามันโกรธใรู้ให้เป็นไม่แต่สิ่งที่มันมาบอกให้เราได้บทเรียนกายมันบอกใจมันบอกความหลงมันบอกความสุขความทุกข์มันบอก ให้เราได้รู้สึกตัวซะจะได้หดาดอางนี้หลงที่ใดรู้ทีนั้นเราไปควมหลงอาจจะหมดไปความทุกข์ทีใดรู้ที่นั้นความทุกข์ก็เป็นความรู้ความทุกข์ก็จะหมดไปเพราะเปลี่ยนร้าเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมันเป็นอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติไม่ใช่รู้ ใครก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่เรายังโกรธอยู่เกริมรู้นะมันใช่ไม่ได้เกริมทุกไม่ดีใครก็รู้แต่ยังทุกอยู่เกริมรู้นั่นมันใช่ไม่ได้บางทีรู้อยู่กพราะยังโกรธยังทุกจึงไม่อาจให้มันเป็นน่ย ไ ม, ไม่ใช่ความรู้กันทําไมเป็นไม่ต้องใช้สมอ ง, ง ม, มีความถูกความผิดไม่จะคิดหาคำตอบจากเหยดผลเอาของจริงว่ากันเลยความหลงมันเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรสัมผัสในคราวเดียวกันให้มีในคราวเดียวกันตรงกันข้าม เวามาหลงก็มีความรู้ตรงกันกับความหลงเวลามาทุกข์ก็มีความรู้ตรงกับความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นมามีตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่มันมีตรงกันข้ามทุกเรื่องทุกอย่างอย่าจนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ช่วยได้เพื่อให้เราทําได้ทำมาเพื่ให้เราทําเป็น กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเอากรรมฐานตัดเข้าไปเป็นกรรมฐานเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นทนเท่าคนแฉะเป็นเพศเป็นวัยลทัทธินิยายถ้ามีกรรมฐานอันเดียวกันอย่าเอาความแฉะความหนุ่มอย่าเอาอันอื่นมาอ้าง ไม่มีของอ้างกรรมฐานนี่เป็นอันเดียวกันไปเลยมีสติมันก็ลอขวมชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไปในตัวเสดไปเป็นภูงไปถ้าตั้งต้นถูกก็ไปถูกจึงต้องมหัดตัวใครตัวมันมันก็ช่วยเราไม่ได้ เราหลงเองต้องรู้เองเราทุกข์เองต้องรู้เองเราผิดเองต้รู้เองเราพุ่สร้านเราก็ต้องรู้เองเราสงกก็ต้องรู้เองอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ให้มีความรู้ไปเหยียบห้องต่าพืชตะาเบือไปอันหัดเบืองต้นเมื่อมาจำนานแล้วความรู้สึกตัวที่จะกลายเป็นญยาดเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิ ออสีน็กับกำจัดความชั่วออกไปตามกำลังของสีนสมาธิกาจัดความชั่วออกไปตามกำลังของสมาธิอาจจะได้มากกว่าสีนปัญญากาจัดความชั่วออกไปได้บ้างที่สุดโลกรู้ในกองสังขารจะใช่กายใช่ใจเป็นให้เกิดความเันธรรมขึ้นมาได้นวานได้พูดเรื่อง เราพย า, ยามใช่ยชีวิตเราให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเพราะหัดหงิแล้วยุ่ยให้เลยความเป็นธรรมที่เกิดจากกาจากใจเรานี่มันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่สร้างความเป็นธรรมขึ้นมาผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมแกตัวเองผมโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรม ความทุกข์เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมเกิดขึ้นมาได้เมื่อมันมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วตัวเราก็มีหวใจามีมือมีความคิดที่จะสร้างให้เกิดความเป็นธรรมออกจากตัวเราไปเกิดกับคนอื่นจิง น, นวัตถุอื่นได้ก็เกิดความนี้ขึ้นมาจากคนคนหนึ่ง ถ้าคนคนนั้นมีความเป็นธรรมที่เคยขึ้นแล้วเราก็พึ่งตัวเราได้คนเนื่นก็พึ่งเราได้ที่นี้เราไม่เคยหาในความเป็นธรรมก็ไม่มีในตัวเรานี่มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ก้มน้ยคมดีผู้ผู้แฟบแฟบ บาทีเอาความโกรธตัดสินเอาความทุกข์ตัดสินทำตามความทุกข์าำตามความโกรธทำตามความพอใจและความไม่พอใจเสียผู้เสียคนเสียเวลาเดือดร้อ <c> น <oughs> นอกจากตัวเราก็กระทุกระทืบเชือคือวัตถุอืนอ่ น, นไปหมดต้องไม่มีความเป็นธรรมแล้ว กายก็พึ่งไม่ได้ไปทำชั่วทางกา ย, ยเยอะแยะไปกินเลาสู่บุหรีไปทำลายอะไรต่างๆได้มากที่สุดทางว่าจ่าทางความคิดคิดดีไม่เป็นแม้แต่ความคิดก็ามาลงโทษหยุดความคิดตัวเองไม่เป็ น, นเราคาคิดก็พาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุ ก, ทกข์ประความคิด นอไม่หลับเพราะความคิดจินไม่ลงเพราะความคิดน้ำตาไหลเพราะความคิดแค่นี้จะดีอะไรตรง้งหลานชีวิตเราถ้าไม่หัดถ้าหัดเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ชีวิตจะได้ปูพรมหน้าเปรียบ พูดสิงได้ประกอบด้วยเมตตาคิดสิ่งได้ประกอบด้วยเมตตาทำสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตาต่อสรรพสิ่งประกาศอิจฉาภาพว่าเราจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เราจะไม่เอากายเอาใจมาเบียดเป็นตนและคนอื่นสิ่งอื่นทุกคนถ้าทำได้มันก็เปิดสันติภาพเกิดความสงบร่มเย็น ทุกสภาวิงมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ตัวเราก็้ทีกายกายแล้วก็เราก็อยู่ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่พอดีกรรมฐ า, านก็จับต้นฐานได้มีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งความรู้สึกตัวก็ตรงกับความหลงพอดีพอมีควมร้สึตัวก็จะเห็นความหลงที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัว ความหลงเป็ น, น, ใ น, ในตัวการเป็นบรรดาของความชั่วเป็นบรรดาลของกุศลคงรู้จักตัวเป็นบิดาบัรดาของกุศลแยกกันที่นี่ได้เลยทําได้ทุกคนอย่าเอาอื่นมาต่อรองให้มีการกระทำเกิยขึ้นจริงๆทําจริงๆทําอย่างดีก็จะได้ผลอย่างดีหลงทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งทุก ข้างที่เหมือนหลงลอยหลงลู้ลอยข้างทุกข์ลอยข้างก็ลู้ลอยข้างมีแต่ทางจีตจิต ท, ทาให้เราได้พัฒนาเวลาเรามีสติสนุกเปลี่ยนลายเป็นดีที่มันเกิดกับกวายกับใจเรานี่มาไล่เป็นดีหมดแม้แต่ตาเห็นลูกโหรี่เย็นเสียงจะบูดได้กลินดื่นได้ลุ้ อ้สองปัจจัคิดนึกขึ้นมาเออเอามาเหลียนเป็นดีทับบ้งหมดมาผิดเป็นถูกแล้วก็ทำได้มันใหญ่ความรู้สึกตัวเนี่ยอะไรถ้ามาลงสู่ความรู้สึกตัวก็เป็นแันเดียวนี่คือหัดจากนี่มีทุกคนความรู้สึกตัว หัดให้มีไปในกายชะก่อน14จังหวะ14รูแต่แล้วจังหวะห่างกันไม่เกินวินาทีหรือชากัวก็ไม่มากวัยขัวก็ไม่มากให้ทุกวินาทีเป็นความรู้สักตัวในพื้นที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นมาพิสูจน์กันดูไม่ต้องไปเชื่อใครให้เชื่อการกระทําของตัวเอง ถ้าขี้เล่นก็ได้ผลเล่นๆล่นทำจริงๆก็อาจจะเกิดเพราะยะบบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาได้ล่วงพ้นเพราะว่าเก่าได้พวาเหมือนไปจริงๆหวมรู้สึกตัวก็ไปแล้วไปจากความหลงไปแล้วไกลไปเรื่อยๆไปเป็นมักเป็นการเดินทางชีวิต จ, จิตใจควมหลงแลยยอดไปแต่ความไม่หลง เรียว่าพัฒนาวัฒนธรรมให้ดีขึ้นว e ัฒน์พัฒนาทำไมดีขึ age, ้นย่อใหม่ความโกรธก็ได้ยอดเป็นความรู้ความทุกข์จะยอดเป็นความรู้ความผิดจะย่อเป็นความรู้ความสงบจะยอดเป็นความรู้ความผุ้งส่้างจะยอดเป็นความรู้อ้อะไรที่มันไม่ดีมาเป็นย่อใหม่ชีวิตที่โตย่อทำใหม่ มีอย่างนี้ชีวิตเรามาจึงที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมันทําได้อย่างนี้ไม่ใช่หลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายแล้ไม่หัดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีที่สุดอยู่จะทอย่างไงแล้วแต่เราจะตัดถินใจอย่างไงหวังไทยมีพุทธศาสนาะพุทธศาสนาคือตัวเรานี่มาสอนเรานี่ ทำก็คือตัวเรานี้ทำดีทำชั่วคือตัวเรานี้มีวัดว่าลามแบบไทยๆมีพระสงฆ์แบบไทยๆวัตรธรรมแบบไทยๆก็เอามาให้เกิดความสะดวกแก่าชาวพุทธมีวิธีพาธรรมบอกให้ทำมีผู้บอกมีผู้ฟังมีผู้ทำ มีผู้บอกมีผู้ทำมีผู้ฟังมีผู้ทําตามเวลามันหลงให้เปลี่ยนหลงเป็นรูปเอาไปทาดูเวลามันเกิดไหลขึ้นมาให้รูปจฉกตัวเอาไปทาดูวันหนึ่งจะได้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีหลอือยะมันมาให้เราเปลี่ยนมันจะไหลามาให้เราเปลี่ยนหวงม่วม ง, งมาเกิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นมา เคยมีสุกเคยมีทุกข์ก็จะมาไหลออกมาจะได้ให้เราได้เกิดความรู้ขึ้นมามันเป็นตาว่ามีตาก็ต้องมีรอยให้เราเห็นเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับรถมันถูกชนมามีลอยเห็นความชุกลอยเห็นความรุ้รอยเห็นความเฉยใจดีใจลอยกิเลสต่างๆลัค้าเคยมันเคยแช่เรา ไปไหลไปทางนั่นก็บ้าทวนขึ้นมาทางนี้รู้จากตัวขึ้นมาแนวนี่แหละของจริงของจริงมันอยู่ที่เราเนี่ของเทศก็อยู่ที่เราเนี่ยไม่ใช่ไปขอจขากใครขอจขากใครไม่ได้เราจึงให้มั่นใจให้มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสติ ให้มีความตั้งใจอย่าโ ง, ง่อย่าไปเชื่ออะไรง่ายแต่เชื่อเชื่อกลางกระทําของเรานี่แล้วเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่ผิดถูกยังไงตอบได้ทุกคนไม่ต้องถามใครความหลงเป็นยังไงความไม่หลงเป็นยังไงอะไรเป็นธรมตอบได้ สัตย์จะทำไม่เคําถามไม่แต่ตอบเอาเองถามคนอื่นคนอื่นตอบให้เวลาไม่แต่ตัวเราเองตอบออกเมื่อกิดลงสนามทำไม่เคยทําก็เป็นก็ทําเป็นถ้าหลงสนามแล้วไม่เคยวิ่งไม่เคยตัดทินใจรู้จักตัดสินใจลงสนามฝึก รจะรู้จักการตัดสินใจรู้จากการหลบกา ร, ลกการหลีากยุติการตั้งท่าวางตัวยังไงรูเรเ้เพอพาะวิชากรรมฐ า, านนี่เป็นวิชาที่ช่วยเราเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ทำได้ทันทีพลิกมือขึ้นก็รู้ทันทีไม่ต้องรอแม้แต่เสี่ยวในทันทีทันใจ พิกมือขึ้นยกมือขึ้นรูทนททน้ทันทีส่องปฏิทมือนี่นทันทีอะไรเช่มื่อกี้ก็รู้ทันทีไวทันทีไวที่สุดไว้กว่าอะไรทั้งหมดเลยปัจจัดตังทันทีผู้ปฏิบัติจะเห็นทันทีถ้าไม่ปฏิบัติก็ก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้พัฒนาตัวเองไหลเพราะว่ามันมี ขันห้ามีรูปมีธาตุในชีวิตของเราเนี่มีรูปรูปธรรมค ก, กายของเราเนี่ยมีธาตุสี่มีนามธรรมคือขันห้าแต่และอย่างก็ก็ก็ไปกันคนละแบบรูปก็คงเป็นรูปเสมอ ส่วนขันนี่ไปอีกแบบหนึ่งมีสุขมีทุกข์มีความคิดมีสัญญามีสังขารมีการปุ่งแต่งมีความเก็บอะไรบางทีไปเก็บเอาความชั่วเก็บเอาความทุกข์ เ, เป็นวิญญาณก็เลยติดไปซะติดทุกข์ติ ด, ตดความโกรธติดเจีงเสพติดวิญญาณมันดือ้อสังขารก็สุขสน เจ้าขันห้าลูกห้าคนในลูกห้าคนแต่ละคนมีนิสัยต่างกันเวทนาก็ไปอีกแบบนึงสัญญาก็ไปอีกแบบสังขารก็ไปแบบนึงวิญญาณก็ไปแบบนึงแล้ก็สร้างต่างตัวต่างสร้างสร้างมาที่ใดก็มาเป็นผลของชีวิตของเราวิ่งไปตามถันห้า ถ้าเราไม่ทำเราไม่ก็เกิดดับเปิดดับเกิดเจ็บเจตายเวทนาเกิดเจ็บเจ็าในเวทนาสัญญาเกิดเจบเจาในสัญญาสังขารเกิดเจเจาในสังขารวิญญาณเกิดเจ็บเจ็าในวิญญาณเมื่อมันเกิดดับนี้กิต้องเกต้องเก็ต้องตายแน่นอนต้องทุกข์ ปปร úc, peso, ูปก็เป็นทุกเวทนาเป็นทุก์สัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุก์รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเหสังการไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนามไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน สิงใดไม่เชื่อตัวตนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นเรายึดเอาความทุกข์ว่าเป็นเราถูกความทุกข์หลอกต้องไม่เชื่อผู้เชื่อคนถูกความโกรธหลอกต้องไม่เสื่อผู้เชื่อคนเหียบเบียนตนเองไม่พอมีเป็นคนอื่นตทำบาปทํากรรมทําชั่วได้เพราะ เราไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้หลักได้คําตอบได้หลักฐานฝึกไปฝึกไปจะเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมเป็นน้ำธรรมเป็นรูปธรรมเป็นน้ำธรรมที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นได้กับรูปิงที่เกิดขึ้นกับน้ำก็เป็นอาการที่เกิดกับนาม เช่นความรอ้อนความหนาวเกิดกับลูกเป็นอาการของลูกความหิวความปวดความมวยเป็นอาการของลูกไม่ใช่ตัวตนลูกมาต้องมีอาการมันเป็นลูกธาตุแต่ลูกไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักหนาวอยงกับไม่เจ็บไม่รู้จักหิวมันก็ไม่ใช่ลูกมันก็จิบหมายไปแล้วแล้วก็ไม่ลูกเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ หิวข้าวก็มาเป็นทุกข์หิวข้าวก็กลายเป็นสุขมันไม่ใช่อย่างนั้นให้เป็นอาการธรรมชาติาองารมณ์ที่มันเกิดกับน้ําคือควมโกรธขมทุกข์อันนั้นเป็นอาการเกิดกับน้ำมาทำไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนแต่เราไปยึดว่าเราโกรธทำตามของโกรธถ้ากูได้โกรธตายไม่เลิม แต่เอาความไม่ตัวใช้ตัวตนมาไปตัวเป็นตนทำตามมันให้ความคิดสั่งอะไรทุกอย่างเป็นขี้ข้าของความคิดเป็นธาตุของความคิดหยุดความคิดไม่เป็นสอมสอนโสเพณีจิตเป็นจิตที่เป็นโสเพณีหกเขาหิ้วไปไหนก็ไป แล้วก็ถามตามความคิดเขายิ่งอย่างถ้าเราไม่หัดมันปาเทือนที่สุดเลยไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้เลยบัดนี้มาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยเป็นได้มีสิทธิมันโกรธเราไมีสิทธิไม่โกรธร้อยเผยจนใช้สติได้เวลามันทุกข์เรามีสติไม่ทุกข์ เรามัหลงเราไม่สีทธทีไม่หลงนี่มาสร้างความเป็นธรรมหัดตั้งแต่ต้นๆหัดรู้จักตัวบาอะไรที่มันเกิดขึ้นมากับบาลู้จักตัวไปก่อนนี่ไม่ใช่เรามาสอนที่นี่พระเจ้าสอนพระเจ้าปฏิบัติอย่างนี้ทำตามบรุมกูของเราไม่ใช่บาเกิดขึ้นใหม่ให้วันเป็นเดือนหก เิ่งผ่านมาได้สวันสาสอวันสามวันนี้สองพหงปีพอดีวันนับวันตัดสลรูพระองค์นั่งคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขนออกรู้สึกตัวตที่นั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกรู้สึกตัวเวลามาเกิดอะไรขึ้นมากับมารู้ึกตัวพระองค์อาจจะคิดถึงพิมพาคนไม่เมียก็คิดถึงเมีย ก็กลับมารู้จึกตัวคิดถึงลาขนกลับมารู้จึกตัวคิดถึงประชาตานุดูกลับมารู้จึกตัวคิดถึงโสชนม์ความนันท์กลับมารู้จึกตัวคิดกลัวตายก็กลับมารู้จึกตัวมันมีทําให้เกิดความผ่านโวจากมากมายเพราะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวตอมพังพระองค์เดียวก็ ย, ออย่อมจะคิดอะไรได้มากกว่าพวกเรา พวกเราอยู่ที่นี่ก็มีแต่เพื่อนแต่มิตรมีที่ให้อยู่มีทางให้เดินมีน่อมอบมีบ้ามีไฟมีเสื้อมีผ้าที่นอนหมอนนุ่งอาจจะไม่ได้สะดุ้งเหมือนกับพระชิตถะแล้วเราก็ประมาทะแต่พระองค์เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาฝึกตัวเองคิดกลัวก็มีสติขึ้นมากลัวตายก็มีสติขึ้นมานตกก็เปียกทำท่าจะเป็นไข้แล้วร้อนแล้วหนาว คิดถึงวิชาเฮ้ยเราไมเ้เหตุผลเราอยู่ไม่ได้เปยียบเชือกวิชา ส, สารูมันก็ไม่ได้อาจจะไปแล้วหนีจากสีมังโปไปกกนดเวพัดแล้วนี่ไม่ไปตามเหตุผลกลับมารู้สึกตั ว, วก็กลับมาได้พอมารู้สึกตัวก็ปกติขึ้นมาเปลี่ยนลายเป็นดีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลี่นเล่า ความลูกของงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นความหลงก็น้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยลงจะเป็นอย่างไรเกิดจานขึ้นล่วงพ้นภาวะเดิมต่งเก่าไปความดีได้พื้นที่ความชอบทำเกิดพฤติการที่ใจความไม่ชอบทกาก็เหินห่างไปหวดไปหย่อนงลงไป ถ้าฝึกหัดมันก็เป็นประดายมีค่าการเคลื่อนไหวมือแต่ละครั้งรู้จากตัวมีค่ามากเหมือนในพื้นที่สติได้พื้นที่ได้ใช่กายอยู่ในกายเลามาชิดกันมาไม่สติลงไปสติได้พื้นที่อยู่ที่ใจในความหลงสติเข้าไปอยู่พื้นที่ในความหลงในความสุขความทุกข์มีสติเข้าไปอยู่พื้นที่ความสุขความทุกข์ ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเปลี่ยนล่ายเป็นดีไม่มีลัตติการอะไรแค่วงหนึ่งก็ฟรีไปเลยสุข ก, ก็ไปฟรีทุกข์ก็ไปฟรีหลงก็ไปฟ ร, ไ ร, รีไม่มีลัตติการไม่มีลาตีที่จะทำให้เกิดความดีได้ผู้มีสติมีศรัทธามีความเพียร ผู้มีเลอที่อยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมถ้าผู้ไม่มีความเพียรไม่มีสติในชีวิตร้อยปีไม่ประเผิน่าอยู่ที่การกระทานี่นั่เราก็เช้ได้สิของเราเนี่ยที่นี่ให้สธิทุกชีวิตให้ทำอย่างนี้อาหารเราคิดให้เองอะไรย่อยคิดให้ไม่ต้องกลัวอะไรโสตาย นึกว่าเราไม่การวิมัยตัวนี้อย่าไปคิดทัืงอื่นเรื่องอื่นไม่ต้องคิดให้ไหมรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวกรรมฐานล้นล้วนเนี่ยเกียวันห้าวันเชฟวันมีสติใช้ได้ที่นี่ให้เป็นเวทีให้เป็นของทุกคนเป็นที่ปวดปล่อยของจิตวิญญาณเราไม่ไปตกเป็นาทาสของใครอย่าไปคิดเลีงใจคนนั่นฟัวคนนี้ แล้วก็วางใจดีๆคุ้นเคยกับธรรมชาติจริงแวดล้ออยากขยอากขยแยงเป็นมิตรกับทุกอย่างสร้างความเป็นมิตรเกิดขึ้นให้ตัวเราก็สร้างความเป็นมิตรกับตัวเราให้ได้ไม่มีมิตรภายนอกกไม่มิตรกับตัวเองหลงก็ไม่เป็นลายผิดไม่เป็นลายไม่เป็นลายคือเป็นมิตรตัวเองถ้าบอกว่าไม่ไหวแย่ อะไรก็ไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่ดีไม่เป็นมิตรของตัวเองเป็นศัตรูของตัวเองถ้าเป็นมิตรก็บเองไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรแค่ไม่อาชุบเกิขึ้นไม่เป็นไรความทุกข์เกิดขึ้นไม่เป็นไรยากไม่เป็นไรง่ายไม่เป็นไรสร้างกว่าเป็นมิตรอย่างนี้อ่าอะไรก็ไม่ไหวทำไม่ได้ยากนี่ง่ายเออนี่ดีอันนี้ไม่ดี อันนี้โชค อ, อันนี้ไม่ชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เราชอบอันนั้นไม่เป็นมิตรกับตัวเองเลยให้ความชอบามาห่วงไม่ชอบมาเป็นหยั่แต่ทิ้ใจด้วยลักษณะแบบนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีจิตใจภายในกายเป็นประจำมีความเพียนเครื่องเผาเฉลต มีสมัมมัชฌ์มีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโูกออกมามารู้จักตัวพระเจ้าบอกแบบนี้ตัดออกแล้วเปิดของที่ปิดออกมาเลยหงายของที่ควบคุนแล้วเฉือนส่วนที่เป็นชิลิ่วกหมดแล้วบอกแบบนี้ถอนออกมาในความพอใจถอนออกมาในความไม่พอใจเมื่อมีความพอใจก็คือถอนออกมารู้จักตัวเจ้า ไม่มความไม่พอใจก็ถอนหมาลุจึกตัวหมาู้จึกตัวนี่ให้ทําแบบพระเจ้าพระเจ้าทําแบบนี้จึงได้เป็นจึงได้ตัดสู้ทำที่ทําแบบนี้ทําให้เกิดการตัดสู้ทําคือรู้แบบนี้กุศลเราทำคือถอนหมาู้จึกตัวกุศลเราทมันหลงไปไปพอใจไม่พอใจเป็นรถของโลกรถของโลกก็มีความเกิดเจ็บเจ็บตาย รถของทำไม่มีความเกิดความแจกความเจ็บปวดต่อโหอลงไปเราเคยแบบนั้นอันี่เราชอบวันนี้เราไม่ชอบสมมุติบัญญัติเอาวันเอาสมมุติบัญญัติเต็มไปหมดเลยตาเห็นรูปก้สมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบหูไดินเสียงก็สมมุติบัว่าชอบว่าไม่ชอบจะบุกได้กินเล่นในรถกายสยัมภะจิตใจคิดเออมีแต่สมมุติบัญญัติบันทึก ในหัวใจของเราไม่ปรัมมัชสัจจะปรมมัชสัจจะมันจริงอ่ะความโกรธไม่จริงควาไม่โกรธมันจริงความทุกข์ไม่จริงกวาไม่ทุกข์มันจริงจริงแบบสมมติมันก็หลอกเรไม่จริงแบบปรัมมัชเราเช่นเราสุขอยู่ที่ไหนความสุขมันจากตัวเองความสุขความทุกข์มันหยาดออมาไม่ใช่ปรัมมั ต่างกันต่างกันเลยด่ดเาเขาก็มีความสุขได้ดีใจเพราะได้ด่าเขาได้ดีใจเพราะได้ฆ่าเขาได้ดีใจเพราะได้ออชนะคนอื่นบาดจัดทําให้คนอื่นเดือดร้อนยังว่าเป็นสุขของตัวเองสุขของเราทุกข์ของคนอื่นประหลาดไสัจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเราก็คนอื่นก็เหมือนกันเป็นโง์เดียวกันแม้แต่เมตตินเม่เห็นเมตายแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลนตัดสินใจเราจะไม่เอากายเอาใจไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลในทั้งหมดเราจะไม่เปลี่ยนแปลนตัวเองไม่เปลี่ยนแปลนคนอื่นริงวัตถุอื่นทุกคนให้ตั้งตนอยู่ตรงเองก็เกิดสันติภาพความสุขขึ้นมาเพึ่อวาดใส่กันได้ เราก็พยายามเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่ผิดถ้าเพี่ยนร้ายเป็นดีไม่ผิ ด, ผ ด, ด, ผดช่วยตัวเองได้ไม่ต้องเหมือนนางเฝ้าบ้านอนเฝ้ากันแก้ตัวเองได้วันหลงลูกเองเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัววันสุข ก, ก็ลูกเองเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัววันทุกข์ก็ลูกเองเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวจะอย่าจน อุปกรณ์ที่มีผิดความรูตัวในการ ใ, ในใจเราเยอะแยะเลยหลายใจก็ได้รู้จักตัวอืด น, น้ำไหลยก็ได้เคลื่อนมือก็ได้เดินก็ได้กวดตาดก็ได้ล่างหน้าก็ได้แปบงค์นก็รู้ได้จึงให้เป็นชีวิตกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐานแม่บ้านกรรมฐาน พระกรรมฐานโยมกรรมฐานให้มีกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองช่วยตัวเองช่วยคนอื่นเห็นคนอื่นหลงก็เตือนกันยิ่งเราเป็นสัตว์สังคมมีผัวมีเมียมีพอ่อมีแม่มีพี่เมียน้องอยู่ด้วยกันจะได้เตือนกันอะไรผิดก็หูรู้จักเห็นหน้าบูดหนะ้าเหมือเอา้าอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นพ่อแล้วพ่อเป็นอะไรเออเป็นงินเอย เราก็โทษขอโท ษ, โทษไม่ได้ตั้งใจยุดยุดยุดไม่ได้ไม่ได้แบ ไ, ไ, ไปแบบมาเตือนกันขึ้นมากูกันขึ้นมาเรียกขึ้นมาเดว่บช่วยกันเป็นอันนี้คนหนึ่งโกรธกอดคนตนึงโกรธตามอื่นลบกนขึ้นมาก็นึกก็ดา่ดาต อ, อบ มันก็ไปกันใหญ่โ น, น, น่นนั้นคนเป็นหลักให้มีฐานไป็นตตั้งเอาไปจะอยู่เย็นเป็นจุกเป็นมากถึงผลในชาตินี้ด้วยกันทุกคนเตอ